ท่านสาธุชนมุตตบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะพบกับท่านเรื่องพระมหาชานกในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญความเพียรที่เรียกกันว่าวิทยาบาร ม, มีสเสวยวะชาติเป็นพระมหาชานกในทศชาติหรือสิบชาติตอนนั้นจบไปแล้วเรื่องพระมหาชานกตอนที่แล้วมา ถูกนางมณีเมฆขันลาอุ้มมาวางไว้ในสวนของพระราชาซึ่งเป็นเมืองเดิมคือเมืองมิถิลานมหานครเป็นเมืองของพระราชาชวีดาตอนนี้ตามพระบาลีที่ากล่าวว่าขอย้อนกล่าวคือพระเจ้าโพลชนกกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลาซึ่งเป็นพระเจ้าอาของพระมหาชนกเองพระองค์ทรงสเสด็จสวรรคต มาได้เจ็ดวันแล้วพระองค์ไม่มีพระราชรถจะครองสืบพระราชสมบัติทรงมีแต่พระราชธิดาพระราชธิดามีนามวา่าเจ้าหญิงศิวะลีเจ้าหญิงมีความเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมมากในขณะที่พระเจ้าปูราชนกทรงประชวนหนัก ใกล้จ ะ, สะเสด็จสวรรคตอํา ม, มาตย์ผู้ใหญ่ได้กราบทูลถามว่าขอเนชะใต้ฝ่าพระองคุทลีพระบาทพระราชารถที่จะสืบพระราชาสมบัติต่อพระองค์ต่อจากพระองค์ไม่มีเมื่อใต้ฝ่าพระองคุทลีพระบาทเสด็จสวรรคตแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะถวายราชาสมบัติแก่ใครพระพุทธเจ้าข้า แม่ชำนวนคนที่ก็แปลหนังสือนี่เก่งจริงๆไม่เหมือนเมื่สือเล่มก่อนที่ฟังมาในตอนต้นเล่มนั้นห่วยจริงๆแล้วเอาอะไรตัวอะไรเข้ามาใส่ก็ไม่รู้ไอ้นี่ไม่ใช่นินทาเขามันหาบาลีไม่ได้ก็เลต้องคว้าภาษาไทยมาว่าต่อมั่งเติมมั่งว่ากันไปเป็นอันว่าพระเจ้าโอราชนุกจึงมีพระราชดำรัสจัดว่าท่านทั้งหลาย จงมอบราชสมบัติแก่ผู้ที่มีความสามารถดังต่อไปนี้แม่นี่ต้องเชื่อน้าประทของพระองค์ว่าพระองค์เป็นคนดีจริงๆแต่ว่าที่ต้องขบถกับกับกบกพระเจ้าพีแต่พระเจ้าพีเพราะพระเจ้าพี่ไปเชื่อคนคนเดียวนิบาลีเขาเชื่อคนคนเดียวนังสือเล่มที่อ่านผ่านไปที่โยนทิ้งไปแล้วเขาเ้าตะกร้ า, าไปแล้วเขบอกหมัวมาะทาไหล เป็นอันว่าไอ้เท่าสารพัดพิษคนนั้นมายุยแงได้แข็งแสหมายหูคนนี่ถ้าแย่บ่อยๆก็ไม่ไหวหมายเรื่องเจ้าเท่าสารพัดพิษนี่นะไอ้คนยุยแงได้แข็งแสนี่เรียกว่าเท่าสารพัดพิษหมายความมันมีพิษทุกอย่างสามารถทําให้พี่กับน้องที่มีความรักกันแต่ความสามัคคียุโยงส่งเสริมหาว่าคนดีเป็นคนชั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าเจ้าเท่าสารพัดพิษ มันเป็นอำมาตย์แก่แก่แต่ว่ายังมีความปรารถนาความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเขาอย่างนั้นนะขอบระทานอภัยถ้ามีใครปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อย่ามาโกรธกันนั้นนี้ว่าการตามเรื่องราวคนรักสีเรื่องชา ด, ดุท่านบอกว่าจะต้องอาศัยคนที่มีความสามารถตามนี้คือหนึ่งสามารถทำให้เจ้าหญิงศิวีพระราชิดาของพระองค์ ทรงยินดีได้หมายความว่าคนนั้นจะต้องเป็นคนดีเพราะลูกสาวของท่านเป็นคนฉลาดถ้าลูกสาวของท่านพอใจให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินได้นี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีความสามารถรู้หัวนอนบันลังสี่เหลี่ยมนี้ได้ไอ้บันลังเนี่ยมันมีสี่เหลี่ยม จะหัวไปทางไหนก็ได้แต่ว่าหัวนอนจริงๆมันมีอยู่เวลานอนจะต้องหันไปทางทิศนั้นฉะนั้นคนที่มีความฉลัดจะต้องรู้นี่เป็นข้อที่สองข้อที่สามมีความสามารถยกธนูนึ่งทึ่งมีน้ำหนักต้องใช้คนหนึ่งพันหนึ่งพันคนจึงจะพึงยกขึ้นได้ไอ้ตรงนี้ถ้ากูจะไม่เอาฮะ ข้อหนึ่งข้อสองนี่เห็นท่าจะไม่เกินความสามารถแต่ข้อสามนี่อเห็นเอาไม่เอาแน่เวลานี้ยกบาทไม่เคยไหวนี่ข้อที่สี่สามารถจะนำคุม้มทรัพย์ใหญ่สิบสามแผงออกมาให้ได้แต่หากมีผู้มีความสามารถดังกล่าวมันแล้วขอท่านนัหลายจงมอบพระจาชสมบัติให้แก่เขาเถิดโอ้โห แม่นิจจะตายยังมีสติสัมปชัญญะดีขอโทษเทอดทูนความดีของท่านเพราะว่าท่านเป็นคนดีมาก่อนสำหรับอมยเจะได้กราบทูลว่าขอเดชะขอใต้ฝ่าระออมทุนีพระบาทโรดตรัสบอกปัญหาคุม้มทรัพย์สิบสามแห่งให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าเียก่อนเถิดพิจ้าค่า เม่นี้ใกลยย้จะตายรอแร่เต็มทีนะยังคุยกันได้ขนาดนี้เก่งมากสำหรับพระราชาประราชนกจิงนตัดบอกว่าคุ้มทรัพย์สิบสามแห่งนั่นเราขอมอกปิศนาแบบนี้สมัยก่อนนะเข้าทรัพย์ฝังไว้ที่ไหนเขาก็บอกปิิศนากันยังมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเขาแทรกนิดหนึ่งคือที่วัดน้อย จังหวัดสุพรรณบุรีในเขตนียังเคยเขตอำเภอบางบระมาท่านกล่าวปีปัญหาว่าตำบลวัดน้อยมีไก่ต้อยอยู่สองตัวน้องสาวมีผัวพี่สาวเพิ่งสอนอย่างใครใครคิดได้ไปขุดตรงจุดนั้นได้ซับก็บับงเอิญที่วัดน้อยนั้นมีโบสถ์กวิหารแล้วก็มีต้นมะขามอยู่สองต้น ต้นมะขามต้นใหญ่ไม่เคยมีฝักเลยต้นย่อมกว่ามีฝักคนก็คิดว่าไก่ต้อยสองตัวน้องสามีผัวพี่สาวคงสอนอย่างก็หมายถึงว่าพี่สาวไม่มีลูกก็หมายก็คงจะคิดว่าต้นมะขามต้นใหญ่ก็ไม่ขุดกันขุดกันสองต้นไม่มีเคยได้นี่ลุง่าจะมาเองเป็นคนชอบคิดปัญหาแบบนี้ท่านก็คิด คิดไปคิดมาต้องคิดว่าพี่สาวมีน้องสาวมีผัวพี่สาวพวกอนอย่างต้องหมายความวิหารนี่นะเกิดก่อนเขาสร้างก่อนแล้วยังโบสร้างโบ ท, ที่หลังเพราะวิหารนี่ไม่มีการคลอดโบสถ์มีการคลอดคลอดคือพระเขาสร้างพระกันในโบสถ์เวลาพระจะโบสถ ในตามธรรมดายการคิดปัญหาแบบนี้นี่เขาคิดได้เขาต้องไปคนเดียวสําหรับคุณลุงท่านจะไปคนเดียวท่านก็กลัวผีแล้วกลัวคนตีตายเขาก็บอกว่าถ้าคิดได้แล้วก็มีทองมากเป็นทองคํามีน้ําหนักมากทีเดียวแล้วเป็นทองคําแทง่งก็ไปได้วยกันประมาณสักสิบคนเอาเรือมาสี่เจียวไปสมัยนั้นรถยนต์มันหายากไปขุดยังไม่คึ้น ตาธมธรรมดาการขุดทรัพย์เขาต้องขุดกตอนดึกไม่ให้ใครเห็นท่านเป็นคนกลัวผีว่นนากลัวเหมืกันกลัวทั้งผีทั้งคนก็เลยชวนพักผู้ไปมากไปขุดเวลาที่พระกำลังทำวัดเย็นประมาณสักห้ามองเย็นพอขุดลงไปได้หน่อยหนึ่งลึกประมาณสักเม็ดก็ปรากฏว่ามีหินแผ่นใหญ่ถ้าขุดเลาะเข้าไป พอถึงมุมหินแบบพ้นหินหมดหินนี่กว้างประมาณหนึ่งวายาวหนึ่งวาคงจะเป็นหินหล่อมากกว่าก็หมายค่อยจะทุบๆๆก็มาโลนทําเป็นแผ่นเป็นสี่เหลี่ยมก็ช่วยกันยกหินหัวหิงขึ้นมาเปิดลงไปเห็นทองเหลืองอารามมากมายเหลือเกินเป็นทองแท่งใหญ่ๆแต่ไปเห็นทองทนั้นเสียงคึกคึกคึคื อ, ค, อ, ค, อคล้ายๆกับว่าลมพัดแรงมาจากทงางหลังมัด พอเหลียวไปที่ไหนได้ตัวโ ต, วตวสูงกว่ายอดไผ่ควงกระบองคึบคๆก้าวเข้ามาทั้งท่านคุณลุงห่อตะมาเองน บ, บรรดาเพื่อนของท่านเห็นท่าเมริการพากันวิ่งลงเรือเสือกเดือนลอยไปกลางลําน้ําเสียงชายใหญ่คนนั้นบอกนี่มึงอยากได้มึงเขมาสิเชิญเข้ามาที่มึงอยากได้แลือว่าต้องการเข้ามาทั้งหมดนั้นไม่ได้รอท่า ไอเรือเวลาจอดก็ถอดเจวออกไว้ทุกคนไม่ได้ใส่หูเจาใช้เจวพายกันไปต่หลายกิโลนี่สมัยก่อนในเวลาเ็าฝังทรัพย์ไว้เขาไม่บอกตรงๆเขาใช้เป็นปัญหาแบบนี้สำหรับพระเจ้าพระราชาทรงพระนามว่าปูราชนกก็เช่นเดียวกันถ้าเบอกว่าทรัพย์สิบสามแห่งนั้นเราตั้งปิศนาว้าอย่างนี้คือหนึ่ง คุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นสองคุ้มซั์ที่ดวงอาทิตตกสามคุ้มซับภายในสี่คุ้มพย์ภายนอกห้าคุ้มซั์ที่ไม่ใช่ภายในและไม่ใช่ภายนอกหกคุ้มซั์ขาขึ้นเจ็ดคุ้มซับขาลงหมายว่ากันเยอะชนะ นี่นกันเยอะแยะจานะประเดี๋ยวขอพลิกหนังสือหน่อยแปดคุ้มรั์ที่ไม่รังทั้งสี่เก้าคุ้มรั์ที่หนึ่งยตโดยรอบสิบคุ้มซั์ที่ปลายงาทั้งสองสิเอดคุ้มรั์ที่ปลายหางสิบสองคุ้มซั์ที่น้ำสิบสามคุ้มซั์ที่ปลายไม้ ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างอาตมาแเรวก็เห็นจะไม่ได้แม่ศรีวลีคนนี้ไม่มีทางพอไปโดนไปหาข้อต้นเขามันเป็นไรข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่ข้อหนึ่งข้อสองไม่เป็นไรโดนข้อสี่ให้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่ก็ได้น่ะข้อสามไม่ไหวแล้วยกโนนมันโดนคุมรัพบเขาอีกพังเลยคขานี้ไม่มีทางได้แน่โอ้ถ้าฉลาดอย่างงั้นเรเป็นพระเจ้ามผนดินนางแล้ว นี่ที่เขาไม่ให้เป็นกษัตริย์ก็เพราะโง่เง่าเต่าตุนอยู่แบบนี้จึงเป็นกษัตริย์ไม่ได้แต่ก็อย่าลืมนะบางคนที่จะเป็นกษัตริย์ได้เขาต้องทําบุญมาเพื่อความเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ใครๆอยากเป็นกษัตริย์ก็เป็นได้จะเป็นนิคเขา้าไปนั้นเ ล, เล่าเรื่องกันต่อไปเมื่อพระเจ้าภูรัชนกทรงตรัสบอกคุมทรัพย์สิบสังแห่งสิบสามแห่งแล้ว เรื่อบอกปิศนาเสร็จพระองค์ก็เสด็จสวรรคตรทันทีแม่พอดีพอดีใช่ไนะหมบรรดาอมตะทั้งหลายก็จัดการถวายพระเพลิงพระศพเรียบร้อยสมพระเกียรติทุกประการมนรีบเผาจริงๆตายไปเพียงไม่ถึงเจ็ดวันรีบเผาและพระราชาสมัยนั้นนะหลังจากที่พระเจ้าโพาชนก องทรงสเสด็จสวรรคตครบเจ็ดวันเราหมาดมาเปิ้ลสากันทั้งเรื่องที่พระราชาทรงตรัสไว้ว่าให้มอบราชสมบัติแก่ผู้ที่มีความสามารถทําให้พระาพราชินาทรงพอพระทัยจึงเปิ้ลสาตกลงกันว่าเห็นแต่ท่านมหาเสนาบดีเท่านั้นที่จะทําให้พนางพอพระทัยได้ ท่มหาเสนาบดีนี่น่ากจะแก่แล้วเหย่อพอๆกับพระจ้าพระราชาแน่เลยเพราะว่าท่านมหาเสนาบดีเป็นราชบรรลพ ก, กลยคิดกับพระราชาตลอดมาจึงส่งข่าวไปท่านให้ให้ท่านมหาเสนาบดีทราบอ๋อเขาคิดว่าเจ้าหญิงอยู่ใก ล, ค ล, ลก้คิดราชบรรลพบคนรับใช้ใกล้อาจจะมีความเสื่อมหายกันก็ได้ มหาเสนาบนดีพอได้ทราบข่าวเช่นนั้นก็แสนที่จะดีใจนึกว่าคราวนี้เราคงจะได้เป็นกษัตริย์ครองแผ่นดินคราวนี้แน่แม้ตั้งใจไว้นานแล้วดีนะพออยู่ใกล้พระราชาเห็นพระราชาทําอะไรก็จําได้ทุกอย่างดีไม่ดีแค่นิกว่าเอ้แบบนี้กูก็เป็นได้เรื่องพระเจ้าแผ่นดินนี่มาเรื่องเล็กๆนั่งสั่งเท่านั้นไม่ต้องทําอะไร แต่ไปโดนอย่างราชการที่ก้าเขาหมดกำลังใจไมกันเคยเห็นพระองค์ลำบากคิดครุ่นคิดแต่ห่วงใ ย, ยความเป็นสุขความสุขความทุกข์ของประชาชนครั้งหนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งมีนาเอ่อมีนาคมนะวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหน้าร้ยสเอ็ด ได้มีโอกาสไปเฝ้าท่านที่ภูพิงพระราชนิเวศเห็นพระพักร์เครียดแสดงท่าทางอ่อนเพลีย ม, มากแต่ก็ทรงเสน่ห์เยี่ยมเย็นและสันดองทุกวันแนะนำความเป็นอยู่พอพบเข้าพราะองค์ทรงตัดว่าเวลานี้ไม่ไหวครับจิตใจมันฟุ้งซ่านเหลือเกินมาอยู่ที่เหนือนี่ยังไปวางแผนเพื่อการเกษตรภาคกลาง มอมเจ้าพิเศษท่านทรงตรัสต่อตรัสต่อไปว่าไม่ใช่จะภาคกลางแห่งเดียวนะครับภาคเหนือด้วยแล้วก็ภาคอีสานด้วยเห็นเข้าวก็นึกในใจว่า น, นี่ถ้าใครเขาไม่จ้างเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินวันละสิบล้านนี่ไม่เป็นแน่ไม่เอาไม่ไหวเพราะว่าท่านมีน้ํำพระทัยห่วงใยแต่ประชาชนส่วนพระองค์เองเองนี่ยไม่ค่อยได้ห่วง น่ารู้สึกว่าจะได้บรรทมก็ประมาณตีสองตีสามวันทั้งวันก็เหน็ดเหนื่อยทั้งวันกลางคืนก็มีการรับแขกก็มีการเสนหอังสือทำอะไรตัวไรวางแผนต่างๆโอถ้าอย่างคนพูดนี่ตายนานแล้วแมว เ, เอาว่ากันต่อไปเป็นว่าถ้าท่านมหาเสนาบดีดีใจว่าคราวนี้อาจจนได้พระนาง แพระราชิดิดามาเป็นพญญาสิด้วยนึกว่าช่วยตัวเองเป็นกษัตริย์คราวนี้ได้แน่จึงได้แต่งตัวที่อย่างโออาเกกาเข้าไปในพระราชวังสงสัยว่าใช่ผมงรังนวีผมเรียบจ่ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นผมแบบประเภทโยงรังอย่างหางก็รอกกระหังมาจู ก, ก็ได้ ให้ยังไงก็ไม่ทราบสมัยนั่นเขาไว้ผมยังไงไม่รู้เกิดไม่ทันเมื่อเข้าไปในพระเจวังให้คนติดตามเข้าไปกราบทูล น, นั้นแหนเอาเข้าไปแล้วปะจึงใช้ให้คนที่ติดตามเข้าไปเข้าไปกราบทูลพ น, นังศรีบริพระราชิธิดาให้ทรงทราบทั้งเหตุที่ตนมาคิดว่าค้านี้หวานแล้วไม่มีใครนี่ลูกชายไม่มี แต่คนทั้งหลายเขาไม่มติว่าเราสมควรเขานี้ได้ทั้งสองอย่างใช้กัศนนั์เดียวเป็นพระราชาด้วยได้พระราชิดาเป็นมเหสีหนึ่งแล้วพระนางศรีวรีก็แสนจะสวยแม่เขานี้เหมาะลาบเกิดนึกในใจว่าราชรถเกิดแล้วสําหรับพระนางศรีวรีไม่ได้ทรงทราบว่า มหาเสนาบดีมาเพื่อจะให้ทรงเลือกพรานนางจึงทรงทดลองดูเพื่อรู้ให้แน่ใจว่าท่านมหาเสนาบดีคนนี้จะคู่ควรกัสิริราชสมบัติหรือไม่เอาเขแล้วสิเอไม่ยักรักง่ายๆฮเกิดรักยากไม่ได้เห็นกับความปรารถนาในการเป็นสามีพันยา ที่เห็นว่าการคู่ควรก็ราจะสมบัติเป็นหมายวอมให้การปกครองหน้าจะสมบัติเป็นราชาเนะี่ยหมายถึงการครองแผ่นดินทั้งแผ่นดินต้องให้คนทั้งแผ่นดินมีสุขไม่ใช่จะมาคิดกอบโกยลกไม้ต่อไปเราจะเป็นคนเสมอกันไม่มีใครรวยไม่มีใครจนอยู่อย่างประเทศลาวประเทศกคเบอร์รไอ้คนที่เป็นครองเมืองนมันเก็บสมบัติพระสถาน อย่างการในอะไรแห่งรานะ่ะอยากจะได้ใครเป็นเมียมันกอดึงเอามาตามชอบใจไม่ไปใครขืนมันก็ไม่ได้อยากจะได้ทรัพย์สินอะไรมันก็ใช้กันตามสมบายแต่ว่าบรรดาประชาชนันหลายต้องเป็นท้ายเขาทำเท่าเท่าไรให้แต่เขาแต่คนเดียวมี่การครองสมบัติเขาไม่ทํากันอย่างนั้นเขาต้องทําให้คนทุกคนมีความสุข ไม่เอกมีความสุขแต่ผู้ครอบครองถ้าคนทุกคนมีความสุขพระราชาก็มีความสุขถ้าหากว่าบรรดาประชาชนมีความทุกพระราชาก็หาความสุขไม่ได้เหมือนกับเหตุก า, การที่กล่าวพระองค์ยังไม่มีความสุขใจเลยห่วงแต่บรรดาประชาชนดรทุกอย่างไอ้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่โฆษณาพระเจ้าแผ่นดิน แล้วก็ไม่ใช่ไปฟังแต่รับสั่งพระพระองค์เท่านั้นสังเกตการมานานแล้วตั้งแต่ยังไม่เคยพบกับพระองค์พยายามดูจริยามาทุกอย่างการเคลื่อนไหวตั้งแต่เริ่มรับไรยสมบัติเห็นพระองค์เที่ยวไปนน่นไปนี่ไม่ได้มองดูว่าพระองค์เองนะ่ะจะลำบากสักขนาดไหนขออย่างเดียวให้มนรดาประช า, าันหลายมีความสุขเป็นที่พอใจนี่เขาต้องทากันอย่างนี้ ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะวานนั่งเมืองทำผมยุ่งยุ่งร้องเป้่าเป้าทำถ่าไม่ทาดที่ไหนว่า น, นดีๆดีไม่ดีไม่ไมช้ามันก็มาเตะตายแล้วพูดแบบนี้เอาเขาจะมาฆ่ามันก็าตายไม่ฆ่าก็าตายมีปากก็พูดเป็นไป ย, ยังกว่าจะตายก็ยังดีพูดไวถึงไม่ตายแล้วเสียงยังอยู่ไม่เป็นไร อนางเห็นว่าเสนาบดีนี่คนและไม่คนก็นด้จะสมบัติยิงทรงรับสั่งให้ไปบอกเสนาบดีให้รีบเข้ามาเร็วๆวิ่งมาถ้าวิ่งมันได้ก็ยิ่งดีนะมาเร็วๆจะวิ่งจีนได้ยิ่งชอบนี่โดนสอบเขาแล้วสิบุคคลที่ไม่งามคือหนึ่งพระราชาสองพระสามสตรี สาวเท้าวิ่งแล้วมันไม่งามในเรื่องนาวิสาขานะแต่นี่ท่านก็ บ, บอกว่าคอยเสนาบดีมาเร็วๆเท้าวิ่งมาเร็วๆได้เท่าไรยังดีเราชอบคนเร็วท่านมหาเสนาบดีเมื่อได้รับอนุ ญ, ญาตก็ปดิบัดตามพระราชประสงค์ขอามานางทันทีเพื่อหวังเยทรงโปรดปราน ขัดเฉ่งก็โจงกรนะเบนแน่เอาให้มันแล้วก็วิ่งจีฝึบตรงเข้าไปเฝ้าพระนางเสร็จสอบตกพอเข้าไปใกล้พอหยุด ห, ห้ก็หายใจแหกแหกแหกเหนื่อยตรงหน้าพระพักของพระนางพระจิดินดาวทรงทดลองต่อไปว่าจะต้องการทดลองต่อไปนี่สอบตกเป็นหนึ่งแล้ว น, นะ ข้อหนึ่งตกแหงไม่มีทางแบบนี้เกษตรวิ่งใช้ไม่ได้ผู้หญิงสาววิ่งไม่งามพระวิ่งไม่สวยไม่สมรวมเสร็จเหมือนกับใครเหล่าที่ตอนก่อนที่กยโยเ้าพระเจ้าประสเสณทิโกศนเวลาที่พ่อเขาตายเวลามาเขาโดามมนคามนโดนคาหนี เพราะราชาตแต่งตั้งเขาเป็นมหาเสถียรเขาเดินไปเฉยๆได้เปรียบนี่จริยาของคนดีเขาเป็นอย่างนี้คนมีวาสนาวรมีต้องเป็นคนฉลาดมีดีลามีมัญญติดีไม่ใช่ร้องเป่าเป่าเป่าเป่าแอมกรารถนนทุนทางดานนน่าคนนั้นว่าคนนี้ไอ้คนดา่าคนน่ะมันไม่ใช่คนดีเอ้เเเะได้คนพูดเนี่ยด่าเขาว่าเปล่าเนี่ยหน่ากลัวจะบ้องบ้องไหมกันไอ้คนพูดนี่ เป็นอันว่าพระชิตดาจะทดลองต่อไปจี่รับสั่งว่าท่านอัครมหาเสนาบดีท่านจงรีบเดินไปตามพื้นดําหนักให้ถึงท้องพระโรงโดยไวเซตสอบตกอีกฮิตานี่แก่เมามันสองอย่างเมาสมบัติเมาวความเป็นใหญ่เมาอยากจะได้เมียเป็นเจ้าหนายเมื่อท่านเสนาบดีรับรับสั่งแล้ว เสนาบดีก็รีบเดินไปตามรับสัง่งให้คนไปบอกว่าให้รีบเดินกลับมาอีกอา้าวท่านสั่งใหม่รีบเดินไปแล้วสัง่งบอกให้รีบเดินมาท่านมหาเสนาบดีก็รีบเดินกลับไปตามรับสัง่งพระราชินได้ก็ทรงเหยียดพระบาทออกและตัดว่าท่านเสนาวดีก็นานนวดเท้าให้เราสักหน่อยเถอะแม่เอาไว้ออแล้วเฮ้ สอบหลายอย่างโอ้ตกเราก็สอบตกแบบนี้ท่านเสนาวดีก็นั่งหล่นนวดเท้าให้พระราชนิดามาดีใจนีจับเท้าเจ้าลูกเจ้าลุก น, นายโอ้เนื้อคงนิ่มๆนะอย่างนา้อยๆก็ชื่นใจได้จับหน่อยก็ยังดีแม้ น, นดเท้าแสนด้วยคนเย็นนดนานหน่อยท่านเสนาวดีนั่งหล่นนดเท้าพระราชธิดามีความกระยิ่มยิ้มย่อง คิดว่าพระชินดาคงจะทรงโปรดแน่ทันใดนั้นเองพระราจินดาก็ทรงพระทีบเปิ้ลให้อะไรเอาคนแล้วแทนที่จะรับหนดดดันทิพซะแล้วเอาคนแล้วสอบตกทึงกล่าวว่าทันใดนั้นเองพระชินดาก็ถีบเข้าที่ อ, อกจนเสนาบดีล้มลง เนกระับสั่งกับพวกข้าหลวงท่านหลายว่าพวกเจ้าจงจับคอเจ้าคนงโง่ห้ามบัญญาไม่ได้นี้ออกไปแล้วก็ให้ทุบตีซะด้วยดิให้สาสมนะทุบตีสาสมค้าที่มันไม่เกี่ยมตัวเอาแล้วแล้วขันบอกแล้วบอกสอบตกรือตกแบบน็อกเลยนะมันดาพวกข้าหลวงต่างต่างก็พากันตรงเข้าจับคอท่านมหาเสนาบดีเสร็จแล้วสอบตก จับคอบ้างจับมือบ้างจับเท้าบ้างลอกลอกลักลา ก, ลากออกจากพระราชวังแล้วก็พาการทุกตีจนท่านมาหาเสนาบดีบอบบอบช้ำในเวลาสองนาทีต่อ ห, หน่อยท่านเสนาบดีเมื่อถูกทําเข้าอย่างนั้นก็แสนที่อายเดินโซซัดโซเสียหน้าเสียตอกมาเมื่อมีใครถามว่าท่านขารับ เป็นอย่างไรบ้างสำเร็จใหม่เขารับท่านเซนนาวดีก็บอกว่าสำเร็จอะไรกันละบุคุณพระราชาวิดาองค์นี้คงจะไม่ใช่มนุษย์แน่แล้วน่ากลัวคงจะเป็นนางยักษินีมาจากป่าป่าผีดิบอะประชาผีดิบเราถูกทั้งเท้าทั้งข่าทั้งศอกทั้งหมัดบอบช้ำกันไปหมดทั้งตัวไม่ไหว ต่อไปหน่อยไหวไหมอาจจะไหวแล้วเวลานาทีครึ่งบรรดาบุคคลที่ถูกคัดเลือกเข้าไปให้พระราชินดา ท, ทดลองความฉลาดเช่นขุนคลังคนดีเศรษฐีคนดีพนักงานเชิญเครื่องสูงคนดีเจ้าพนักงานเชิญเป็นแสงคนดีแต่และคนก็ถูกพระราชินดาทดลองปัญญาบอกให้วิ่งบ้าง บอกให้วิ่งก็ ว, วิ่งบอกให้เต้นก็เต้นบอกให้ร้องก็ร้องทำเป็นเหมือนคนบ้าจี้ก็ทำในที่สุดก็ถูกพระราชด่าขับไล่ออกไปทั้เจ้าพระราชวังทั้งหมดเป็นอันว่าเมื่อเขาถูกไล่กันไปนหมดแล้วก็อย่าพูดยังไงก็ไปเข้าไปหมดแล้วนี่ถ้ายัางไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับเรื่องพระมหาชนกนี่ยังอยู่ยาวยังสือเล่มนี้ขอขอบคุณท่านผู้แปลนั่นก็แปลได้ดีมากเรียบเรียมได้ดีมากไม่ตัดทอนพระบาลีทิ้งเว้นไว้แต่นหน้ากันหลังหวังว่าท่านผู้รมคงจะมีอานิสงส์มากวันนี้มองโดยเวลาก็หมดเสร็จแล้วในบรรดาท่านพุทธบริษัท แมายกำลังยันดีขอต่อวันหน้าสำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผนผ ล, ล, ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี